ท่านภัยใจให้ความรู้แก่พอกเราจบกันแล้วจบไปณที่นี่แต่ความไม่ชว่าเราจะยึดคิดเพียงแค่นี้เพราะถ้ทุกคนต้องนำไปคิดต่อแล้วนำไปปฏิบัติเพื่อดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขป่อไปท่านได้พูดถึงเรื่องการดำรงชีวิตอยู่อย่างมีความสุขว่าเราต้องมีปัญญาต้องใช้ความคิดแล้วท่านเปรียบชีวิตของคนเราเหมือนกับรถที่ต้องมีทั้งเบรคทันเร่งและก็ต้องมีทั้งพวงมาลัย เพื่อเป็นการนำชีวิตไปในวิธีทางที่ถูกต้องในทางที่ดีในทางที่ควรต้องใช้ปัญญาต้องมีความเพียรมีมณะมีพยายามมีความรักงานมีความา ร, รู้จักหารู้จักเก็บรู้จักใายอย่างมีปัญญาและการทำาการคบมิตรที่ดีเลือกคนเลือกคบคนที่ถูก เ, เลือกคบคนที่จะนําให้เราไปสู่ความเท่านั้นอันนี้เป็นวิธีทางที่ท่านแนะแนําพวกเรา ก็ขอให้พวกเราจงนำไปคิดต่ออย่าไหยุดเพียงแค่นี้เพื่อจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขในวันข้างหน้าอาวะโอกาสนี้ยังมีเวลาอยู่นะถ้าว่าท่านผู้ใด ห, หรือใครต้องการจะทำปัญหาอะไรก็ขอเชิญเรียนทำท่านอาจารย์ท่านงคงจะตอบให้พวกเราได้เข้าใจแจ้งได้ก็เชิญกันคับ เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในการปฏิบัติทางนิปัสนามากคำถามแรกก็อยากแกเรียนถามพระอาจารย์ว่าการกระทำนิปัสนานั้นมีคุณค่าต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้างคำถามที่สองก <ใน S 2> ารกระทำปิพพานนั้นทำได้ยากง่ายเพียงใด ผมขอกรกาบเรียนถามของอาจารย์สองคำถามก่อนครับในข้อหนึ่งว่าไงข้อหนึ่งคุณภาพของการกระทำวิปัสสนามีเพราะชีวิตมีคนเขาใดป่ะเขาไดคุณภาพของการ อ, อ, อบรมจิตใจในทางวิปัฒนานี่ข้อหนึ่งทำให้เป็นคนเยือกเย็นแม้จะมีนิสัย ในร้อนดรื้วุ่วามต่างๆแต่เมื่อรับการอบรมจิตใจให้มีความสงบแล้วย่อมทำผู้ปฏิบัตินั้นให้มีใจเย็นคือให้เป็นคนใจเย็นให้เป็นคนมีเหตุมีผลทำอะไรก็ทำด้วยความจงใจไม่จะมีใจจับจด เป็นผลย่อๆที่อธิบายในข้อข้อที่สองว่างไงนะครับอาจารย์ยั ง, ยงการปฏิบัติวิปัสสนานั้นเราจะทำได้ายากง่ายเพียงใดอ๋อ ถ, ถ้าเราเป็นคนยากการพัฒนาก็ยากถ้าเราเป็นคนทอบง่ายหน่อยวิปัสสนาก็ง่าย คือคือเพราะเหตุไรเพราะว่าถ้าเราเป็นคนยากพอเริ่มมาจะทำวิปัสสนาก็เห็นว่ายากเก่เสียและไม่อยากทำมีวิปัสสนาก็กลายยากไปด้วยถ้าเราเป็นคนชอบวิปัสสนาเพราะได้ทราบว่าทำวิปัสสนามีผลดีอย่างนั้นๆเราชอบที่จะทำการทำาิปัสสนาก็ง่ายเพราะเราเป็นผู้ทำพาให้ง่ายนล้วมีอะไรอีก ผมขอกาบเรียนถามอีกอย่างเท่าที่เคยได้ยินคนพูดกันว่าการปฏิบัติวิปัสสนานั้นบางทีทำดีไม่ดีทำให้คนมีสติฟันเกอนไปได้อันนี้เป็นจริงหรือไม่ครับเท่าที่เราเดินไปตามถนนเนทาง เราก็เคยเห็นคนประเภทที่น่าสรุปสองเล่มนี้โดยนจำนวนมากเหมือนกันเนื่องจากไม่มีสติแต่เราได้ถามเขาดูบ้างหรือเปล่าว่าคนที่เขาเป็นประเภทที่น่าสรุปสองเล่มนี้เขาเป็นมาจากการบําเพ็ญนิพพานาหรือเขาเป็นโดยหลักธรรมชาติของเขาเองอ่าที่ผมทราบบางคนบอกว่าพอเริ่มวิปัสสนาแล้วทํำให้ จิตสติสติฟั่นเฟือนไปไม่ไม่เป็นปกติเหมือนเมื่อก่อนเริ่มปฏิบัติวิปัสสนาอ๋อในตรนนี้นั้นอาจมีได้แต่ไม่ใช่เป็นพราะรําของมพุคุเจ้าแต่เป็นเข้ะบุคคลที่ทำสุดเส้นเดียวกับเส้นทางจากนี้ไปสู่จุดนั้นมีกุยหมาต้าททางบอกไว้เสร็จแต่พูดเดินทางไปนั้น อาจจะเดินผิดพลาดไปจากเส็นทิศทางเดินของทางแล้วปัดทำให้ผิดจากนั้นทางนั้นไปมีหลักธรรมะของพระพุทธเ จ, จ้าที่บอกไว้โดยถูกต้องแต่ผู้ทํานั้นอาจจะผิดไปด้วยความถึงความรู้ของตนเข้าใจวัตถุเช่นเวลาทำนิปัฒนาบางรายก็ปรากฏเป็ น, นมิจฉุขึ้นมาจต่เป็ น, นมิจฉุ๕ เกี่ยวกับเรื่องคนเป็นคนดาคนตายหรือเรื่องน่าเกิดเพลิน เ, เจ้าโรกอะไรก็ตามได้นั้นชอบในสิ่งที่ควรชอบและกลัวในสิ่งที่ควรกลั ว, วที่ปรากฏขึ้นในยิมิตนั้นถ้าจิตเป็นอย่างนี้หากไม่ย้อนเข้ามาสู่หลักคือองค์ของของการภาวนาเสียก็มีทางที่จะเสียได้เช่น บุคคลคิดโดยขี้ขาดว่าตัวต่อผีต่อตามอะไรก็แล้วแต่นะแต่พอทำํำนิพพานาพอจิตเริ่มสงบลงบั่งเล็กน้อยแล้วก็ปรากดเต็มมิตรขึ้นมาให้เห็นคนตายมาตายอยู่ต่อหน้าเป็นต้นผู้นั้นซึ่งมือมิสใสครอตัวผีอยู่แล้วพอได้เห็นคนตายเท่านั้นก็กลัวในขณะนั้นแล้วกลัวจน ไม่มีสติยับยัง้งแนวเลยกลายเป็นมากไปเลยนี่อาจมีทางเป็นได้ถ้าเป็นบุคคลประเภทนี้แต่ถ้าแม้จะเป็นบุคคลประเภทที่ตัวผีก็ตามแต่พอเห็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นนั้นปรากฏขึ้นทางภาพหรือมิมิตในขณะภาวน า, า, นาและย้อนจิตเข้ามาสู่องค์ภาวนาขึ้นจนเคยบริกรรมอยู่ดั้งเดิมเสีย เรื่องความที่หายก็จะไม่เกิดขึ้นมีเพราะการดําเนินถูกทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้การดําเนินผิดทางนั่นก็คือว่าเมื่อเห็นผิแล้วไม่ได้ย้อนผิดของตนกลับเข้ามาสู่หลักธรรมแต่ก็กลัวจนเตลิดเติดเป็นแระเสียมี่ชื่อว่าดําเนินผิดทางเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนาแม้จะเอานามของพระศาสนาไปพูดว่าทำาวิปัสสนาก็ตามแต่อาจมีทางเสียได้เพราะความเข้าใจผิดคือความเห็นผิดของคนนั้น และประทาให้ผู้ที่มีความสนใจอยากจะทําภาวนานั้นให้กลัวไปทำตามกันเลยท้ายคาว่าศาสนาเป็นโรงบ่มเขาขอภัยหรอม่แต่ถ้าเขาศาสานาเป็นโรงบ่มบ้าก็นะครับ <c oughs> ผมอยากจะข อ, อกล่าบเปลี่ยนถาม คำถามที่ทายคำถามหนึ่งคือรู้สึกจะมีผู้ที่สนใจในเรื่องวิปัสสนานี้อยู่หลายคนถ้าหากว่าอยากจะไปขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์ท่านจะกรุณาให้ความช่วยเหลือแก่พวกเราได้มากน้อยเพียงใดครับ เอาที่อาจารย์ปฏิบัติอยู่ในเวลานี้ก็ปฏิบัติอยู่ในฐานะระหว่านิพพิกอาปจารอยู่แล้วหาว่ามีท่านผู้สนใจที่จะไปอบรมทางวัดก็เคยได้ปฏิบัติต่อพุทธศาสนาชนมาเป็นจำนวนมากแพร่ทั่วประเทศไทยตั้งแต่วันตา่างๆแต่จะเรียนว่าไม่ขัดข้องแพ่เดียว ท่านก็ไม่กล้าที่จะเรียนท่านอาจจะมีเหตุการณ์ขึ่งจะทำให้เกิดความปัดข้อก็ได้านาคาซึ่งเป็นของไม่แน่นอนจึงข อ, อ ไ, ไัยแล้วด้วยแต่เรื่องเกี่ยวกับท่านที่มีความสนใจหวังดีต่อคนเองมเธอที่นำศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องบรมนี้อาจารย์ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง จะขอเรียนรู้เรื่องวิปัฒนาให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบเจ้ย่อขอเรีเป็นข้อคิดคําว่าวิบัตสสนั้นเป็นชื่ออันหนึ่งที่ท่านนักปฏิบัติท่านบำเพ็ญในข้างสุตตานันซึ่งเป็นทางขั้นสูงเป็นลําดับแต่คําว่าภาวนานนั้เป็นทางกลางกลางที่ใช้เป็นตัวไปทั้งหลักของธรรมะ ทั้หลักของทั้งหลังวิปัตนารวมบรรเทาเรียกว่าภาวนานี่เป็นคํากลางๆแต่คําว่าวิปัตนานั้นหมายถึงความรู้แจ้งเห็นจริงในศาสตร์ธรรมทั้งหลายแต่ถึงแต่นั้นเราจะนํามาใช้ว่าเป็นวิปัตนาก็ได้ไม่ผัดต้องหากอยากจะเรียนให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบว่ามี ค, มาความหมายกว้างแคบแค่ไหนในคําว่าวิปัสนา ในการเจริญภาวนาหรือเอื้อทำวิปัฒนานี้มีผลให้เห็นประจักใจของตนเองคือใจของเราที่เคยวอกแวกคลอนแคลนต่อสิ่งโดยดวนต่างๆอยู่เป็นประจำเมื่อได้รับการอบรมจิตใจเท่าที่ควรแล้วจิตจะไปเชื่อมสิ่งต่อเหตุการณ์ทั้งหลายและปฏิบัติตัวไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยผิดกับผู้ที่ไม่ได้อบรม ไม่น้อยเพราะฉะนั้นวิปัฒนาจึิงเป็นคุณสมบัติที่จะชวยเสริมบุคคลให้เป็นผู้หนักในเหตุผลและสิ่งเกี่ยวข้องต่างๆได้ดีมีอะไรก็พูดการพัฒนากันหน้ากระผมข่าจะเรียนถามท่านพระอาจารย์เกี่ยวกับความจริงของโลกอย่างหรฮะ ยัม่เข้าใจัดนะยังไม่ได้ถามครับคือจะถามเกี่ยวกับเรื่องความจริงของโลกอย่างหนึ่งในฐานะที่พระอาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางวิปัสสนาเป็นอย่างมากและวิปัสสนาก็อย่างที่พระอาจารย์ได้ว่าคือศึกษาใหา้มีความรู้เห็นแจ้งเห็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสิ่งที่กระผมเข้าใจ จะดาบียนถามก็คือว่าการเกิดและการตายในทัศนะของวิปัสสนานั้นเป็นอย่างไรเรื่องการเกิดการตายนั้นแม้จะไม่ใช่ทัศนะทางนิปัตนาก็ตามแต่ว่าเรื่องการเกิดการตายนี่มีอยู offering, REY, <Good> ่กับผุ้รู้ผู้นำโดยเฉพาะผู้ที่ถาม ปัญหาในเวลานี้ก็เป็นผู่กตกูในภ า, าวะเช่นนี้เหมือนกันอ้าว่าอาจารย์จะเรียนอธิบายกันมากยิ่งก่านี้ก็กลัวว่าจะเอาเป็นการเอาอาา้อนนาไปถายสวนซึงไม่อยากจะเรียนมากเพราะเข้าใจมันจะเหลอความจริงกระผมก็ยังไม่เข้าใจครับนะอยากจะให้พระอาจารย์สุนา ที่แจงรายละเอียดให้มากแต่เล็กน้อยแ้มีสงสัยข้อไหนหรือคือการเกิดนะครับถ้าพิจ า, ารณากันตามหลักชีววิทยาก็บอกว่าเกิดจากสเปิร์มของผู้เป็นบิดาผสมกับอโอวัมนุไข่ของผู้เป็นมารดาก็ปฏิสนธิออกมาเป็นบุคคลนั่นคือทางชีวะที่ทางศาสนาหรือว่าทางศาสนานั้น พูดไปคำนองเดียวกันหรือเปล่าคือฟังบางคําก็ทัดบางคําก็ไม่ทัดก็เป็นเคราะเสื่มมอมไงเมื่อตะกี้กับผมเมื่อตกี้กับผมกล่าวเดินว่าในทางวิชาชีววิทยานั้นาการเกิดเป็นบุคคลเกิดจากพลุ่มของผู้เป็นพ่อและก็ไข่ของผู้เป็นแม่มา รวมกันแล้วก็กลายเป็นบุคคลขึ้นมาทีนี้ก็ผมข ย, ยันอากาศยนถามว่าทางศาสนานั้นได้กลายเรื่องการเกิดเหมือนกับทางคิวพวิทยาหรือไม่ต้องกล่าวเหมือนกันแต่ท่านไ ม, ม่ได้บอกว่าสับปืน <laughs> แล้วมีอะไรอีกพระพุทธศาสนานั้นสอนให้บุคคลมากน้อยสันโดษที่นี้ถ้าทุกคนมีความมากน้อยสันโดษดจะทากันออกบวชหมดหรือว่าไม่พยายามจะสร้างสรรค์ความเจริญแล้วชาติไทยเราจะไม่ รูปธุระง่ายขึ้น้วยครับเรื่องศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นมีเป็นชั้นๆของศีลและธรรมผู้ที่จะนำลัทธิไปปฏิบัติก็ควรจะปฏิบัติให้หอพอเหมาะสมแก่เพศและฐานะของตนคำว่าความสันโดษนัน้อยนี้ เป็นธรรมะอันกว้างกวางวางา่าสําหรับพระพอดําเนินไปอยู่ทางหนึ่งคือออกจากหลักใหญ่ได้จะทําทันความทันโดษเล็น้อยเช่นเดียวกันแต่เป็นอีกแขนงหนึ่งที่พระท่านนำ ป, ปฏิบัติเพื่อในพระก็มีอีกแขนงหนึ่งที่จะควรปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ตนและเป็นประโยชน์แก่ตนและครอบครัวตลอดทั้งส่อนรวมได้ด้วย อ้าว่าเราจะพูดรวมๆเช่ น, นั้นการตอบรวมๆไปก็อาจจะไม่สะดวกแก่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นอาจารจะขอแยกอธิบายให้ฟังเรื่องความสัสนโดษควา ม, มาน้อยน้อยที่พอเหมาะสมแก่ชาวว่าที่จะฟังขอพู้ปฏิบัติได้นี้มีอยู่แต่ถ้าปฏิบัติถ้าเป็นความมากๆ ทำเลยพอดีแล้วจักเป็นไทยแต่คาระวะมีความีอยู่เค่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านกงสอนไว้อย่างนั้นแล้วสิ่งใดเล่าเพื่อความมากาเป็นไทยต่อครอบครัวและส่วนมวมด้วดก็คือควาักมากในอารมณ์เช่นมีหนึ่งแล้วอยากได้สองมีสองแล้วอยากได้สามมอสามแล้วอยาก ไ, ได้สี่ ไปที่ไหนมีแฟนเป็นปงปวงอย่างนี้น่ากเกลียดมากคือคำลังหน้ า, มม า, าประเทศนี้เป็นความงหน้าที่น่ากเกลียดมากไม่มีใครเขาชมว่าดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่สอนคาวาะให้เป็นผู้มากมากก็ข้อเดียบิเองเพียง <c oughs> แต่หัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นก็ยัมีการทละบอกเลี้งกันได้ในบางการไหนจะมีย่อยนี้ อะไรต่ออะไรแฝงกันไปมีอาหารว่างอาหารว่างยุ่งเขาจะหมดแล้วเ็ายิ่งจะยุ่งมา ก, มกเขาเข้ใจไหหรืออาหารว่างคือความเป็นผู้มีผัวเดียวเนียเดียวเนี่ย ท่ว่าความนักน้อยในหลักธรรมท่านสอนอย่างนี้สอนพระว่าให้รู้จักความสําคัญของกันณกรนให้รู้จักจิตที่ของกันแกันให้รู้จักความเป็นใหญ่ของกันณกรนให้รู้จักน้อยใจของกันแกันซึ่งเป็นผู้ผู้ครองของกันนี่เป็นหลักใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงสมเดไทยและสอนพระว่าให้เป็นเน้นหนั ก, นกล ง, งคาําชื่อมนักน้อยสันโดษหมายความอย่างนี้เองคือมักน้อยในอารมณ์ เื่องเสื่มไปในครอบครัวถ้าวันมีหนึ่งเพราะไม่เท่าไรเพราะสะดวกสบายลูกก็เกิดในหัวอกของคนทั้งสองพ่อแม่ทั้งสองนั้นเพราะเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันการแนะนำสั่งสอนการเชื่อมความรักกล้ความสงสารระหว่างของการละกันก็รสนิทเพราะเป็นเลือดในหัวอกของคนด้วยกันทุกคนแม่ ภราแม่จะดูดารักด่าวลูกพ่อในปัเจือนถึงสามีสา ม, มีามมจะดูดารักด่าวลูกเที่ยนพี่ลูกในบางการที่ชื่อนดึงก็จะเป็นการปัจจุรนภรรยายอมเป็นทิน่หนิ่งใจด้วยกันทั้งสองเพราะต่างก็มีความา ร, ารักลูกเหมือนกันหมดเนื่องจากเป็นเลือดใน อ, อกเดียวกันอี น, นี้ผู้ที่มีความนักน้อยจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะทํางนานในบ้านนอกบ้านและสังคม กว้างแคบเมื่อต่างคนต่างรู้จักความสังพันต่างรู้จักกรรมปิติต่างรู้จักเ ง, ง, งื่งอนไกันแล้วในระหว่างคู่ครองทั้งสองนั้นจะเป็นการความสะดกวกในการทำมาหาเรียองที่ไม่ขัดพราะกันในเรื่องความมักงมั่คืออาหารว่างอาหารมอกบ้านพอเข้าใจมิใช่หรือหรือหรือถ้าอาจารย์สอนว่า ให้มีคนนร้อยสองร้อยอย่างนั้นเหรอจะเป็นที่พอใจการเสริืพลุกเศรษฐรกิจของมั่นเมืองนั่นจะมีประเทศหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าร่าให้มีความขยันหมัน่นเพียรในหน้าที่การงานทุกด้านที่ชอบทำนี่ก็ควรจะทราบไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นั่ง ง, งอมืองอเท้าเฉยเฉยโดยปัญหาสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แต่ภพตัว และประเทศชาติบ้านเมืองเราก็พอจะเข้าใจได้แต่การฟื้นฟูเศรษฐกิจของบ้านเมืองด้วยวยิธีที่มีร้อยมีพันมีหารว่างรอบปานรอบเมืองทุกแห่งทุกคนม่ครับอะไรต่ออะไรขึ้นไปหมดนี้รู้สึกจ่ไม่ใช่เป็นการฟื้นฟูแต่จะเป็นการสังหารประเทศชาติบ้านเมืองให้โลกจมเพื่ออำนาจการพิเดตประเทศนี้เป็นไตเผาโลก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่เสริมให้มีความสนใจในทางนี้นลมีอะไรอีกอพระพุทธองค์องสอนไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วย่อมมีดับเป็นธรรมดาหมายหมายว่าไงหมายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วย่อมมีดับเป็นธรรมดาทีนี้ คำสังสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นจะไม่ดับหรือ <c oughs> มีถามอถามในบางคนว่าว่านีเกิดดับอย่างนั้นหรอ <c oughs> ใช่ไหมถามเรื่องเกิดดับใช่ไหมคือธรรมราของทุกสิ่งทุกอย่างเม <c oughs> ือ่อมีเกิดแล้วยอนมีดับ ทนี้คำสั่งสอนข อ, องพระพุทองค์ซึ่งทรงเริ่มสั่งสอนไว้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้นจะมีดับหรืออ๋อถ้าถ้าเรายังไม่ดับคำสั่งสอนก็ยังไม่ดับถ้าเราดับเมื่ อ, อไรคำสั่งสอนก็ดับในบุคคลคนนั้นคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ปฏิบัติกันไป สำคัญก็คือว่าเวลาที่จะไปเที่ยวหารรื่นเริงเพลิดเพลินเลยไม่มีควาเสีนั้นรู้สึกจะไม่กลัวการเกิดดับแต่เวลาจะนั่งไปสมาธิ ส, สูดผิวทำคำหนังสอน้องเจ้าตัวแต่ดดตายก้อนีูน่าจะลดแข็งเรื่ะเข้าใจไหมล่ะเวลาจะออปจะลับไปเที่ยว่นเรินบันเทิงไม่มีควาเสีนั้นไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดอะไรจะดับแต่เวลาจะมาประพฤติผิวทำตัวแต่ทำตัวจะทําของเจ้าจะดับและตัวตัวแต่ตายเข้าใจไหมลึก ทำของพระเจ้ามันเท็นเครื่องสังหารโลกทำไมะได้เลยล่ะกระผมใต้ที่จะขอการาบมรดกการพระนิกายว่าเมื่อปีพศออ2050ครับว่าหรือว่าเป็นถึงพุทธกาลหมายก็ไหว่าอะไรครับ อ, อ, อ๋อกึงนั้นกึงเวลน่ำเวลาไม่ใช่กึงทําสอนจะเกิดจะดับ มีปรสาสอพันห้าร้อยหมายแปลว่าเป็นที่ว่าเป็นกึงพุทธการหนึง่งหมายแปลว่าศาสนาพุทธยังยืนอยู่ยียงหาระอยยียงห้าพันปีนั่นใช่ไหมครับอันนี้ท่านจัดท่านจาดไว้ตามการคือหลักของพุทธาศาสนาที่สอนไว้ท่านกำหนดไว้พอประมาณ ว่า 5,000 ปีเมื่อถึง 2,500 ก็เป็นอันว่าตึงตามในลำเวลาของ 2,500 ซึ่งเอา2ฐานรวมก็ 5,000 เมื่อสองหานแล้วก็ตกอยู่ใน 2,500 นี่เรียกว่าตึงแห่งการเวลาแต่ที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ขนาดนี้นั้นเข้าใจว่าจะพอสมควรจะความสามารถ ของผู้มีความเที่อความมสุสงายจะประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าได้มีจำนวนน้อยที่สุดอย่างมากมายก็เพียงสองพัน 2, ห้าห้าพันปีเท่านั้นนอกจากนั้นก็ความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ได้พูดกันเมื่อสักครู่นี้ว่าการเกิดการดับก็อาจจะเป็นส่วนใหญ่มาปรากฏหรือทับสมในระยะกาลนั้นเสียและเรื่องธรรมะแม้จะเป็นของจริงมีอยู่ดั้งเดิมก็ตาม แต่เมื่อไม่มีผู้สนใจจะพื้นฟู ข, นขึ้นมาประพื่อปฏิบัติให้เป็นประโยชแต่ตนแล้วธรรมะก็กลายเป็นโมฆะไปฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ก็ประมาณลาห้าพันปีหากว่าเรามีอายุยืนยิ่งกว่าห้าพันปีแต่พระปฏิบัติทำมากยิ่งกว่านั้นก็ยิ่งจะเป็นการแท่นภูมิมได้มากแต่นี้ก็รู้สึกว่าเสียใจที่ชีวิตของมนุษย์เรามีเพียงไม่กี่ปีก็เกิดนั้นดับไปเสียบางรายก็ไม่สามารถที่จะทำธรรมดีแต่ตนได้ ถ้าทำตัวให้เป็นโมฆะทั้งปัจจุบันอนาคตก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายมเมื่อเล้ยก้าวเ ข, ข, ข้ามาอยูค่ความเป็นมนุษย์และนับถือพระพุทธศาสนาที่ตรงด้วยเหตุผลทุวอย่างแล้วก็ควรจะสนใจนำไปดัดแปลงกายวาจาใจของคนให้มีคุณค่าแม้จะดับดลงไปก็ให้ดับแบบที่บุคคลที่มีภัยชนะในตัวเด้ย่ยคุณงามความดีอย่าให้ศูนย์ทันจะเสียโดยหาตราบไม่ได้คือความคุณงามความดีไม่ติดตัวอย่างนี้เป็นหน้า สะดดสังเวียนมากน้วมีอะไรอีกมีคำถามส่งมามากมายอยากจะทราบกันว่านารกกับสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้ามีอยู่ที่ไหนบ้างไม่ได้ถามพวกนักท่องเที่ยวเขาบ้างหรือเขาไปเมืองไหนบ้างนารกเขาได้ไปหรือเปล่า การไม่ใช่นักต่องเที่ยวึงไม่กล้าจะเรียนคุณไน้าเยาแม้แต่เมือมองนอกมือนานาก็ม่เคะไปเห็นน่าจะสามารถไปเห็นนาลกขอกสวรรค์ได้ยังไงต้องไปถามนักต่องเที่ยวเขาถึงจะรู้ในเรื่องนี้ ว่าอะไรและมีจริงหรือไม่ <c oughs> นิพพานนั้นหาแปลเฉพาะคำว่านิพพานก็แปลว่าดับสนิทคำว่าดับสนิทนั้นก็เหมือนยังว่าไฟที่ก่อเปลวขึ้นมาด้วยเชื้ออย่างมากมาย แต่ได้ดับสนิทลงได้ด้วยเครื่องดับไฟที่ทันสมัยเมื่อไฟนั้นได้ดับลงไปอย่างสนิทแล้วความดับสนิทของไฟนั้นผลแห่งการเกิดขึ้นแห่งความดับสนิทของไฟนั้นทําให้สิ่งทั้งหลายไม่ได้พิหายไปด้วยและความดับสนิทแห่งจิตใจที่มีกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนของเติงหรือของไฟอันใหญ่หลวงนี้ดับไปความดับไปแห่งกิเลสซึ่งเปรียบเหมือนกับแก้ว เทิงนี้จากใจใจนั้นเรียกว่านิพพานแรียว่าดับสนินคือดับส น, นิทเฉพาะสิ่งที่เป็นภัยแต่ใจแต่ความเบิกตุกความเย็นบกเย็นใจที่เป็นผลเกิดขึ้นจากความดับส น, นิแนทแห่งกิเลสทั้งหลายนั้นไม่ดับไปด้วยท่านเรียกว่านี้คือนิพพานพอเข้าใจไหมเฉยหรอไม่ใช่หรื ธรรมนิพพานจะดับไปหมดทั้งผู่ทั้งคนทั้งสัตว์อะไรดับไปหมดอยงนั้นไม่ใช่คือดับเฉพาะสิ่งที่เป็นข้าศึกอันไหนที่เป็นข้าศึกเคยมีอยู่ภายในใจสิ่งนั้นดับลงได้ด้วยข้อปฏิบัติคือธรรมะธรรมะเป็นเครื่องดับสิ่งที่เป็นไทยคือกิเลสอยู่ภายในใจกิเลสดับไปหมดแล้วยังเหลือแต่ใจที่บริสุทธิธ์ใจที่บริสุทธิ์นั่นแหละท่านเรียกว่าสอุปาทิเสสนิพานในเมื่อขผลยังเป็นอยู่ เมื่อขันมีสลายลงไปคือเราตายลงไปแล้วเป็นอนุภาตที่เสียแต่มีานมีแต่ความรือสึกรุนรวนมี่ท่านเรียกวันนิทานเราจะประหารนิทานที่ไหนกันอีกล่ะแล้วเมีออไรกระผมไถ่ขอนมัส์การถามรายการว่าในฐานะที่พวกกระผมเป็นนักศึกษา ผมได้ทราบมาว่าไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือเป็นพระพิทุก็ตามปัญหาที่สําคัญในการศึกษาที่สําคัญที่สุดก็คือไม่สามารถจะตั้งสมาธิให้แน่วแน่สําหรับการศึกษานี้ได้เพราะฉะนั้นกระผมให่นมัส ก, การถามพระญาณว่าจะทําอย่างไรจรึงจะทําให้ผู้ที่จะศึกษาธรรมะหรือเรื่องโลกเนี่ยสามารถตั้งสมาธิให้แน่วแน่ได้โดยที่ไม่มีจิตใจฟั่นเฟือนอย่างใดเลย ในข้อนี้ในข้อนี้แม่แต่อาจารย์ผู้อธิบายเวลานี้ก็ตามกมงปราบโกรธเราได้หาบานผู้สมาธิมาเตือนช่วยและเรนานำมาแสดงทำให้แต่บรรดาท่านนักศึกษาต่างหลายข้าก็ไม่ได้าสะพายผู้สมาธิมาด้วย แต่ก็ยอมจำเนน ว, ว่าสมาธินั้นย่อมเกิดขึ้นจากการมันเป็นด้วยกันทุกอายไม่ได้เกิดขึ้นด้วยการ น, นิ่งอยู่เฉยและด้วยการคิดหนาละอาใจและด้วยความไม่สนใจแต่จะต้องเกิดขึ้นด้วยความสนใจด้วยกันแม้ที่สุดดังที่ท่านทั้งหลายซึ่งเรียกว่านักศึกษาต้องเป็นผู้มีสมาธิคือคำแน่ๆต่อใจของคนอยู่เสมอว่าจะศึกษาหลักพิธานันั้นให้สําเร็จลุล่วงไปได้ ด้วยความภาเปลี่ยนของคนมี่ก็จัดว่ า, าเป็นสมาธิประเภทหนึ่งที่ประจำอยู่ในหลักวิษาของคนที่กําลังเรียนในหลักวิชาอำนาจก็จําเป็นเป็นนั้นเหมือนกันถ้าเรามีอความขยันมันเปียนพยายามเช่นเดียวกับงานทั่ทวไปแล้วแมงสมาธิแม้เราจะไม่ได้หากตู้หามตู้มาด้ว่อยไปตามแต่จะปรากฏขึ้นที่ใจของผู้มีความเปียนนั้นโดยไม่ต้องสงสัย น, นั่นเวลาอีกนะขออาจารด์หญิงยาบจ้มีปัญหาอยากจะถาม่าเรื่อไม่ได้ยินไม่ได้ยิทนทดีวพูดได้แล้วเขามีปัญหาอยากจะถามาเรื่องศีลโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่ง Uh, เรื่องศีลห้าเขาคืมีพุทธศาสนา uh, มักจะโจมตีพุทธศาสนาในแง่ที่ว่า uh, พุทธศาสนานั้น uh, มักจะดีในแต่ทดีแต่ในแง่ปฏิบัติแล้ว uh, รู้สึกว่ายัางยอดอยางมาก uh, โดยเฉพาะสีข้อแรก uh, ขอ้อ uh, ปานาะคือห้ามให้ฆ่าสัตว์ แต่ชาพุทธส่วนมากเขาไมักคยคาดแลวก็ ร, กรู้สึกว่าทางผู้ศาสนานี่ถ้าหากว่าไม่ขาดจากนี้คนเราจะอยู่ได้อย่างไรก็อยากแค่นั้นฟังไม่คัดนะฟังไม่คาดมันมนุษย์มันจะ้าไอะไร แั้ตัวเรื่องสินห้า น, นะครับพูดถึงเรื่องถึงห้าเนีถ้าถึงห้าอาวา่าพัดถึงมันต้องไม่พัดเื่อเสียงมันมันได้ไ่พารู้สึกจะพลาพาเออคือทางวิจาห้าห้าแงพลาดจัดงั้ก็แหกปาน า, าจินนะ ป, ป า, าตาเวห้าไมาาา่พลาดจัดแต่ว่าพูดตัวนหน้าที่ปฏิบัติกานอยู่ในวันนี้ก็มักจะพลาจัด ขอศีลข้อน่คือฆ่าสัตว์อย่างนั้นเหรอครับคือศาสนาอื่นพวกศาสนาอื่นศาสนาพิชก็ดีศาสนาอิสลามก็ดีข้าพจ้าโมตีคุณศาสนาว่าศีลข้อแรกชาวพูดตก่อปฏิบัติไม่ได้แล้วคือส่วนมากก็ฆ่ากันฆ่าสัตว์นะครับทนี้การฆ่าสัตว์นั้นก็ถือว่าเป็นบาปที่ี้าากว่าไม่ฆ่าสัตว์ชาวพททุกคนไม่ฆ่าสัตว์ อาศาสนานี่ก็ไม่ทราบปฏิบั่าอย่างไรเลยเพราะอย่างนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ไม่ทราบปฏิบัตอย่างไรครับเพราะไม่มีคนข่าไปถวายอะไรแบบนี้คือม <c oughs> <ำ>ีคําถามว่าศาสนาถ้าไม่ค่าศัตรูองนั้นเหรอครับและศั <c oughs> ตรูถ้าว่าเมื่อศาสนาฆ้าไม่ค่าศัตรแล้วมนุษย์เราที่เป็นผู้ศาสนาจะอยู่ได้อย่างไงอย่างนั้นเหรอครับ ดังน um ั้นเหรออ๋อกระดูดได้ด้วยกันไม่ฆ่าสัตว์มันเะยังจะอยู่ได <Yes, ้ไม่อยู่ไ uh, ด้ได้ไงเช่นอย่างฆ่าไม่ฆ่าสัตว์มันก็ยังอยู่ได้คารวาสแม่ฆ่าสัตว์จะอยู่ไม่ได้ยังไงเราต้องพูดเราต้องคิดถึงเรื่องความสำคัญของชีวิตของสัตว์และมนุษย์ทั่วไปเราอยากคิดเห็นความสําคัญเฉพาะชีวิตของเราแต่ไม่เห็นความสําคัญในชีวิตของผู้อื่นในขณะเดียวกันเราต้องคิดถึงความสําคัญ ทั้งของชีวิตของเราทั้งชีวิตของคนอื่นว่ามีน้ำหนักและมีคุณค่าอย่างไรบ้างอย่างนี้ก่อนเราจะเห็นความสําคัญของปานาธิบาตที่ฆ่าไม่ค่าตัดเช่นตัดตัวหนึ่งเมื่อเขามีชีวิตอยู่ในวันหนึ่งเขาก็เป็นตัดเต็มตัวของเขาในวันนั้นหาได้ปลูกค่าะเสียในวันนั้นความติดต่อชีวิตของเราของเขาก็าหมดไปทันที ความเป็นสัตว์ของเขาก็หมดไปนในขณะนั้นเราก็เหมือนกันเมื่อถูกทาลายชีวิตรงเสียในขณะ น, นี้ความเป็นมือของเราจะเป็นมนุษย์ในชาติท่นานวันใดก็ตามก็หมดความเป็นเมือลงในขณะนั้นเช่นเดียวกันเมื่อสู่ความแล้วคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์และคุณค่าแห่งความเป็นสัตว์นี้มีสาคัญอยู่ที่ชีวิตเหมือนกันหมดถ้าว่าชีวิตความเป็อยู่ยังสืบต่อไปได้ สัตว์ก็ต้องเป็นสัตว์เต็มปุ่มของสัตว์เราก็ต้องเป็นมนุษย์เต็มปุ่มของเราหากว่าชีวิได้หาไม่แล้วไม่ว่ามนุษย์และสัตว์จะต้องเป็นผู้หมดความหวังในขณะนั้นเข้าเท่ากันฉะนั้นความส้องการแห่งความเป็นอยู่ของชีวิตไม่ว่าของสัตว์และของเราเองซึ่งเป็นมนุษย์จึงเป็นของที่มีคุณค่าเท่ากันและพระพุทธเจ้าก็สอนว่าเบียดเบียนกันนี้เป็นการที่ถูกต้องแล้วหากว่าเราถึง มีเห็นคุณค่าเฉพาะทีวิของเราคนอื่นลุจัดอื่นไม่มีคุณค่าอย่างนี้คนรู้สึกว่าเราจะเห็นแต่ตัวจนเกินไปและจะอยู่กับโลกไม่ได้แล้ว่าง่ายยีดะแล้วมีอะไรยีดะหลวงพ่ให้ขอความกรรมการว่าตามพุทธประวัติที่ว่าออวันคุณตาหรือ ว่าวันเทโวโรหณนะเป็นวันที่ต้อนรับการจับจับสวรรคั น, นาวดึงขององค์สมเด็จรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องนี้เป็นจริงอย่างไรครับขอถามในสิ่งที่ไม่เห็นกันก็หากว่าจะบอกว่าจริงก็เหมือนโกหกกันแต่ว่าไม่จริงเราก็ไม่เห็นไม่ทราบองไรอาจารย์ต้องขอยอมใน้อนี้ที่เขไม่เคยไปสวรรค์ช่านดาวดึงไม่รู้เรื่องอะไร ถ้าจัดถามก็ให้ถามอย่างนี้ดีกว่าถ้าถ้าจะถามก็กรุณาถามว่าท่านมาจากวัตาบรรดาเรือเวลานี้วัตาบรรดามีอยู่หรือไม่ให้ไว้ดงนั้นอาจารย์จะได้ตอบทนท้นั้นก็หมายความว่าคำพีบัเป็นคำพีที่ยืนยันไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าว่าเราจะ เราจะถือาําพีเป็นเครื่องยืนยันแล้วผู้ที่เห็นคำพิมาถา ม, ถามก็มาสวนถามเพราะได้ดูตําพีเหมือนกันและเป็นคำพีที่ยืนยันเหมือนกันทั้งผู้ที่ถามและทั้งผู้ที่ฟังอ่าทุกท่านจาร่าสัพเพสังขาราอนิจจา สัพเทสังคาลาทุกขาสัเพเทธรรมาอนัตตาโดยเฉพาะข้อหลังสุดคือสัเพเทธรรมาอนัตตานี้ก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นกระผมผู้ยืนพูดอยู่นี่ก็ไม่มีตัวตนถ้าฉะนั้นแล้วกระผมไปฆ่าใครข้าไปฆ่ า, าตัดตัดชีวิตข้าวก็ควรจะกล่าวว่าไม่มีตัวตนไปการไปฆ่าอะไรทันที เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบาปบุญความดีความติดก็คงไม่มีใช่ไหมครับ คือคือถ้าเรายังเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่ก็อย่าไปฆ่าถ้าไปฆ่าก็เดี๋ยวจะผิดกฎหมายแล้วผิดคุกกิตรางเพราะจะเป็นการฆ่าคนถ้าออาไหนแล้วมีตนไม่ไม่เป็นตัวเป็นตนแล้วกบฆ่าได้เช่นที่เดสังหาอาสวะมันมีอยู่ภายในตัวของเรานี้และจะฆ่าวันนักขั้งเรามีใครจับให้ปิดคุกเดี๋ยวราให้พยายามฆ่าตรงนี้ เราไปเกี่ยวหาธาตุสที่เป็นตัวเป็นตนเช่นคนและตัดเป็นต้นมันเป็นพอ่อ เพราะเข้าขใจไม่ได้เลยวที่ที่ที่ยันตอเมื่อสักครู่นี้พระวงศ์ไพรีขอยกราบนรรมิการถามว่าในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งรอกเป็นสองสองทางคือว่าทางมหานิกายและธรรมยุทธ์บางครั้งทำไมไม่ถูกกันและทางที่ไหนที่ดีที่สุดครับไหนว่าไงหมายความว่า มหานิทาลัยกับธรรมยุทธ์บางครั้งก็ไม่ถูกกันและทางไหนที่ดีที่สุดเรา้างไหนดีที่สุดนั่นเหรอหรือที่วางคือขออภัยคืเวลาฟังมันไม่ประชันจริงๆเวลาฟังมันรู้สึกกราวผ้าอะไรก้าวคนในทางพระพุทธศาสนาได้แบ่งออกเป็นสองทางคือทางมหานิกายและธรรมยุทธ์ บางครั้งทำไมถึงไม่ถูกกันทนั้งๆที่เป็นศาสนาเดียวกันและทางไหนที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดอ๋อเข้าใจให้เราคิดดูตั้งแต่ลูกพ่อแม่เดียพ่อแม่เดียวกันยังบอกว่ามันก็ยังมีนายกนายขอนางงอนางคอไปเอออ่าเวลาบางในการบางเวลาในการบางครั้งก็ระหว่างลูกสองสามคนก็ยังเลาะกันว่างไง แล้วอะไรอย่างดีที่สุดก็คือว่าจยาทะเลาะกันแลป็นดีที่สุดพระอาจารยร์ใช่ไหมครับเราไปรับความรู้จากท่านพระอาจารย์มามากพอที่ควรแล้ว วันนี้ถึงเวลาท่านควรอาจารย์เขจะรีบกลับวัดเพราะว่ามีาแขกมาจากกรุงเทพฯบ้างจากที่ไหนบ้างมารอท่านอยู่ที่วัดเป็นจำนวนมากมายาก็เป็นบารมีของเราที่ได้ฟังพระประธรรมจากท่านในวันบบนี้คิดว่าเขาจะไปถ้าเวราต้องการจะฟังอีกท่านคงเมตตาพวกเราอีกอก็จอไปขอเชิญทุกคนทุกคนยืนแผ่เมตต า, <c oughs> อ, าอาจารย์ก็ ขอสรุธรรมะที่ได้ได้มาบรรยาให้บรรดาท่านนาษสาทั้งหลายฟังในวันนี้ก็กรุณาได้นําไปตัดคิดแล้วนํามาปรับปรุงแก้ไขตนเองนั่นเป็นสิ่งที่ดีงามและประเสริฐที่สุดในการตังธรรมเมื่อือฟังแล้วก็นำไปปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักธรรมจะเป็นไปกอความเจริญรุ่งเรืองและก็อาจทอดทำในที่อาจารย์ให้ วิสัฒนาไปในวันนี้อาจมีความบกพร่องไม่เหมาะกับสริจิตใจของทุกขอบรรดาท่านทุกทางทั้งหลายก็ปรินาและฮะราโทูเจออาจารย์ด้วยและต่อไปนี้ไปขอทุกท่านจงมีความจเจริญงบงามโดยทั่วกันคื อ, อต่อไปก็ไม่กล่าวตามคำจากครับสภิษตาจักทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้น อ, อเวราจงเป็นสุขเป็นสุกเถิดอย่ามีเวรแก่กันและกันเลยอพยาประชาอย่าเบียดเบียนซึงกันและกันเลย อ, อันิพาอย่ามีความทุกข์ กายทุกใจเลยสุขีอัตนางพระฤรัรตูจงมีความสุขกายจิตใ จ, บบใจรักษาเตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเถิด โอกาสหนาหลังล่าคงได้มีโอกาสมาพบกัน